สวัสดีพี่ใหม่ก็คนไม่สายเกินไปนะครับขาไปแล้วสิวันนะครับก็หวังจะยิ่งว่าเรากลับมานมัสกรารพระเจ้าวันนี้คือครั้งอีกวันหนึ่งที่หลังจากที่เราไปต่างจังหวัดเราไปที่อื่นเรากลับมานมัสกรารพระเจ้าด้วยกันอีกครั้งนะครับขอเชิญพี่น้องนะครับทุกท่านที่จะนั่งประจําที่ของเราเราหาที่นั่นนะครับเราจะเริ่มการนมัสกรารพระเจ้าด้วยวันนี้นะครับ ก่อนอื่นใดเราอยากต้อนรับนะครับพี่น้องทุกท่านที่ได้มานมัสการพระเจ้ากับที่เราในครอบครัวของพระเจ้าที่นี่นะครับทุกท่านที่จะได้รับนมัสการพระเจ้าร่วกรรมนะครับก็ขอบคุณพระเจ้าแล้วก็ขอต้อนรับครอบครัวของเจมี่นะครับขอครอบครัวเจมี่ยิ้มขึ้นหน่อยนะครับอ่าอยู่นี่ครับอ่าดีต้อนรับครอบครัวเจมี่นะครับ ตอนนี้งานยุ่งมากนะครับตอนนี้ก็สร้างบ้านสร้างโบสถ์ให้กับที่สามวัย่อดอยู่ก็ขอบคุณพระเจ้าแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าสําหรับครอบครัวของอาจารย์ไรดอนก็กลับมาแล้วนะขอบคุณพระเจ้ามาสักการะกับพวกเราแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าสําหรับครอบครัวอาจารยจายินดีต้รัครอบครัวใหม่ลูชายอยู่ไหนครับอ้าชอว์ลูกชายเนอะยินดีต้อนรันะครับ ขอบคุณประเจ้านะครับนี่เป็นพระพอที่พระเจ้าให้ครอบครัวนี้นะครับแล้วก็อย่าให้อาจารย์ริ h แนะนำเพื่อนนะครับอ่าครับอ่าขอแนะนำชื่อนะครับเพื่อนแนะนำชื่อหน่อยครับพิโซนเซเวีย ยิน ด, ด, ด, ดีต้อนะครับรายการ to back to chat market นะครับเราขอบคุณพระเจ้านะก็ครอบครัวอื่นมีไหมครับที่เรายังไม่ได้ต้อนรับเพื่อนของเอิบมาแล้วเนาะคือมาแล้ว น, ะ, วน ะ, ะโอเคแล้วก็ครอบครัวอื่นๆไม่มีเนา ะ, ะโอเคนะครับเราจะเริ่มการนมันส ก, การพระเจ้าเป็นสัปดาห์ที่สองของปีสองพัน สิบองนะครับให้เราเริ่มด้วยการสงบจิตใจอธิษฐานกับพระเจ้าเป็นการส่วนตัวสักครู่นะครับ พระเจ้า6วันเราดินน้นรนในอาชีพการงานการศึกษาเราวุ่นวายกับชีวิตของเราจะทำอย่างไรให้ดีที่สุดในแต่ละวันและวันนี้เป็นวันที่ดีที่สุดที่เรามาในพระนิเวศของพระเจ้าพอที่จะนมัสการพระเจ้าของเราพอที่จะยกย่ยองพระนาของพระเจ้า เพื่อที่จะได้รับกําลังจากพระเจ้าเพื่อที่จะสมัครคิดทำกับพี่น้องผู้เชื่อด้วยกันให้วันนี้จะเต็มไปด้วยความอิ่มใจในพัชชีพพจจิภิญาณขอพระเจ้าอวยพรเช่นนั้นอวยพรพี่น้องทุกท่านที่จะมานมัสการในเช้าวันนี้อวยพรพระเจ้าที่ให้ความจริงอย่งประการของพระเจ้าเราขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระคขอบคุณพระเจ้าจริงที่พระเจ้าทรง ให้วันเวลาโอกาสชีวิตให้กับเราที่เราจะนมัสการพระเจ้าขอบคุณพระงขอพระเจ้าได้รับเกียรติอธิษฐานพึงอาพระอ์เช่นนั้นในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนะครับพี่น้องครับในตลอดปีที่ผ่านมาใ้เราอาจจะอขอพระเจ้าจะสัญญากับพระเจ้าว่าจะทำอะไรสักอย่างหรือว่าพระเจ้าสัญญากับเรานะครับในพระคัมภีร์ของพระเจ้าในสองโครินธ์บทที่หนึ่งก็ยี่สิบได้กล่าวไว้ดังนี้ว่าบรรดาพระ สัญญาของพระเจ้านั้นก็จินโดยพระเยซูนะครับบรรดาพระสัญญาของพระเจ้าก็จีนโดยพระเยซูด้วยเหตุนี้เราจึงพูดว่าอาเมนนะครับด้วยเหตุนี้จึงเราพูดว่าอาเมนเพราะฉะนั้นตลอดตลอดสัปดาห์ตลอด ป, ปอีที่ผ่าน ม, มาเราสัญญากับพระเจ้าอะไรที่เราอยากจะทําเพื่อพระเจ้าก็อาเมนนะครับขอพระเจ้าวิวรณ์ที่เราจะทําได้ หรือว่าสิ่งที่พระเจ้าสัญญากับเราในพระวจนะคำของพระเจ้าทีา่ให้กับเราแล้วก็อาเมนขอให้สิ่งนั้นเป็นความจริงนะครับเราจะน้ำมศ ก, กับพระเจ้าด้วยบทเพลงขานยึมั่นในคาสัญญานะครับพี่น้องที่จะยืนขึ้นนะครับขันยึมันน่นในคสาสัญญาของ Kanja samra sebrao semer e t i s a r a seyo d o p r a o คำสัญญาที่ไงเลวร้ายแบ่งความถืออยู่รอบตัวข้าก็ไม่ตรงใจมีชีวิตด้วยพลายสุดหุ่นในนิจใจยิง่งเมื่อใดคำสัญญาของประชา ในคำสยญญของประจาวิ น, นทันยิ้มมันในคำสยญญที่ไม่ลืมได้ฟ้าเสียพระวิญญาณเรียกทุเวรลาไปหากเต็มใจจะมอบทุสีกับพระผู้ไทยยิ้มมันในคำสยญญของประจาชน ครับนี่คือสิ่งที่เราสรรเสริญพระเจ้าที่พระเจ้าของเรายิ่งใหญ่เราสัญญาของพระเจ้าแล้วก็เชื่อว่าพระสัญญาของพระเจ้าพระเจ้าช่วยเราหลายๆครั้งทั้งหลายคงเล่าปลอบภาจากภัยอันตรายต่างๆอย่างมากมายนะครับเราจะนมัส ก, การพระเจ้าด้วยเปหนึ่งช่วยให้พ้นอันตรายนะครับ ทำบางในเราจะความตัดช่วยชูเอามาให้ลูกคนจาความบาปจบเปตามเวลาแล้วได้มลาไปเพราะว่าประเย่ แต่ทำอดทนได้ส่งคอยคนบาให้สำนึกที่กำจ่าจงรอนใจช้ำช่วงข่าวสาวซ้อมด้วยเมตตาผู้ได้ยอมเชื่อ ด้วยความรักชน่าให้กล้าใจจริงอาบนชตกคำพช่วยไม่ตาช่วยให้รนหนาพนดุังในพระความตายพระเยซูทรงมีตางารุณาช่วยอทนอันงตาไรด้วยใจอาภัยกว่าสงให้พจความรัก พยายามนำข่าวไปแพชอบธรรมช่วยเพื่อกรรมีตาบอกว่าพระองค์เป็นผู้ดายทยประชาช่วยให้ผูอ้างตาลาให้รอมจากความตายพระเยซูทรงมีตาทรงการุณาขอบคุณพระเจ้านะครับชนะ น, นะครับ พระเจ้าช่วยเราให้รอดจากตาหลายๆค้านะผมเองนะครับขับมอเตอร์ไซค์ก็ดีรถยนต์ก็ดีเนี่ยเราเห็นถึงพระคุณของพระเจ้าที่พระเจ้าช่วยนะครับครั้งแล้วครั้งเล่าปลอดภัยบักคั้งนีดเดียวเกือบอะไรเนี่ยแต่ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าช่วยนี่คือพระคุณความรักความเมตตาของพระเจ้าเมื่อพระเจ้าช่วยเราเช่นนั้นพี่น้อง สิ่งที่เราอดใจไม่ได้คือเราจะยุ่งยองสรรเสริญพระเจ้าด้วยกันนะครับเราจะนมัสการพระเจ้าด้วยกัอีกเปรยหนึ่งนะครับสรรเสริญสรรเสริญนะครับสรรเสริญพระเยซูเป็นผู้ใจอิ่ม ชาชมกุรโคตรกุลระเบื แสนดุจแสนส้ำแ ส, น, สนพระเจ้าสุเปูุทัยดีละพราอมค์ไหวชกเพื่อให้คุณอบายสซเป็นวความรอดไป็นความว่ามังคุดดาศีลโจทาว่าคิดได้หสุดรูร้จึงตา พระเยซูสส ส, สัด้วยบุพสดนดีสสดสพระเยซูเป็นู้ไรชาีเลอรฮูสโกเสนาทัวทองฟ้าโอพระเยซูสริขอพรเป็นิสัยรชาช มีอำนาจขับขึ้นใหญ่สรรเสรสรรเสรพระกจพระคุณของพระเยซูสรรเสรสรเสด้วยบทเพลงสดุดีขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าทรงมีอำนาจยิ่งใหญ่ และก็รานชันทั้งหลายนำโมกุฎมาถวายพระเจ้านี่คือพระราชาของเราที่พระเจ้าของเรายิ่ยงใหญ่นะครับก็ในเวลาช่วงต่อไปขอมอบเวลานี้ที่จะฟังความจริงจากพระทางของพระเจ้าที่พระเจ้าของเรานั้นยิ่ยงใหญ่แล้วก็โดยผ่านทางรูชนาทางของพระเจ้าอิสุบุตรนะครับขอมอบเวลานี้ให้กับท่านนะครับขอเชิครับ ยังอยู่ใน15วันแรกอูบลอ่ uh, I don't think it's too late it to to say happy new year to you uh, mm hmm. จ้าววพอทุกคนนะครับ uh, เมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วเอ้ไม่ใช่สองวันที่แล้ววันศุกร์ที่แล้วเรามีโอกาสได้ไป uh, แบ่งปันแลวก็สมัมมคทธรรมที่บ้านที่ดารัด ก, ก็มีหลายคนในห้องนี้ก็ได้มีโอกาสได้ไปร่วม สมาชิกทำด้วยกันแต่ก็ยังมีอีกหลายคนที่ไม่ได้มีโอกาสไปก็อยากจะแบ่งปันนิดนึงสำหรับพระพรที่เราได้พูดอยู่ที่บ้านที่ดารัสก็เหมาะสำหรับที่จะพูดในช่วงปีเก่ากำลังจะไปปีใหม่นะครับมีเหตุการณ์หนึ่งในพระคัมภีร์เดิมอยู่ในสองพงศาวดารกษัตริย์บทที่ยี่สิบเก้า เป็นเรื่องราวของโมเสสที่กําลังเรียกชุมชนอิสราเอลแล้วก็พวกผู้อุโสพวกผู้ใหญ่มามานั่งคุยกันประชุมกันแล้วก็ขณะที่เขาอยู่ที่ประชุมตรงนั้นน่ะโมเสสบอกว่าเรากําลังจะข้ามแม่น้ํำจอแดนนี้แล้วก็โมเสสมีโอกาสได้ขึ้นไปบนภูเขาเนบูแล้วก็มองแผ่นดินของพระเจ้า ที่ประทานให้กับพวกเขาคือแผ่นดินคานาหแล้ว้าวโมเส ก, ก็บอกว่าคนอิสราเอลเอ๋ยก่อนที่เราจะข้ามไปขอให้เรามองย้อนกลับไปดูซึ่งในบทที่ยเก้าโมเสกพูด ก, กับคนอิสราเอลที่นั่นว่าให้เราหันกลับไปดูว่าขณะที่เราผ่านอดีตมาสี่สิบปีเดินทางอยู่ในดิทธลุระกันดาร เราได้รับอะไรบ้างพระเจ้าทำอะไรกับเราบ้างต่อหน้าต่อตาของพวกเราโมเสสบอกว่าขอให้ดูอดีต ท, ที่ผ่านมาว่าพระเจ้าทําสิ่งอัศรจรรย์หลายหลายอย่างต่อหน้าต่อตาของพวกเขาผมคงไม่ต้องบอกว่าการอัศจรรย์อะไรเกิดขึ้นในระหว่างการเดินทางในถิ่นพธกันดาร เร่ตั้งแต่มีเพศไทยหลายประการที่เกิดขึ้นแต่พวกเขาก็ไม่ได้เป็นอะไรเลยการข้าแม่น้ำะทะเลแดงแ ก, ก็การมีอาหารกินตลอดทางการที่เขามีน้ำดื่มตลอดทางการเดินทางแล้วมูเศษบอกว่าในบทที่ยี่สิบเก้านะครับเสื้อผ้าของคุณก็ไม่ขาด สีสิบปีไม่ขาดเลยให้เราใส่แค่ปีเดียวเสื้อก็ซีบหมดแล้วนะรองเท้าของคุณก็ไม่ไม่ไม่ขาดเหมือนกันขนมปังและเหล้าองุ่นก็ไม่ขาดไปจากท้องของเขามีมีทุกสิ่งที่พระเจ้าเตรียมไว้แล้วโมเสก็บอกว่าเมื่อดูอดีตแล้วคุณก็เห็นแล้ว ด้วยตาของคุณเองต่อไปนี้ตัวนาคตรเราจะข้ามไปแผ่นดินคานาอานแผ่นดินที่มีความหวังใหม่บ้านใหม่ที่เราจะอาศัยอยู่ที่นั่นเราจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ของเราอยู่ในแผ่นดินนี้เราจะสร้างเมืองใหม่อยู่ในแผ่นดินคานาอานี้เช่านี้ก็อยากให้เรา หันกลับไปดูอดีตสิว่าพระเจ้าปีที่แล้วปีหนึ่งห้าพระเจ้าได้ประทานอะไรให้กับเราบ้างต่อหน้า ต, ต่อตาคุณผมไม่รู้นะว่าพระเจ้ามีมีพระพรอะไรสําหรับคุณเมื่อปีที่แล้วที่คุณได้รับแล้วก็คุณเห็นกับตาประจักษ์ด้วยตัวเองแล้วเวลานี้เรากําลังมองไปในปีหนึ่งหกว่าพระเจ้าจะ ประทานอะไรใหม่ๆมีความหวังใหม่อยู่ในปี16ไหมหรือมีเป้าหมายใหม่ๆในปีนี้ไหมที่เรากำลังจะข้ามก้าวไปและที่สำคัญนะครับโมเสสบอกกับพวกอิสเรเอลว่าเมื่อเวลาที่เราจะข้ามไปในปี16หรือข้ามแม่น้ำจอร์แดนแล้วไปที่คาดานโมเสสบอกคนอิสราเอลว่า พระเจ้าจะข้ามไปข้างหน้าท่านในบทที่สามสิบเอ็ดพงศวดานฉบับที่สองบทที่สามสิบเอ็ดโมเสสบอกว่าพระเจ้าจะข้ามไปข้างหน้าท่านหมายความว่าพระเจ้าจะนานาเราไปเห็นไหมครับพระเจ้าจะนำพระเจ้าจะนาเราไปพระเจ้าจะข้ามไปก่อนนะแล้วเราก็ตามไป ปีที่แล้วเราอาจจะเดินนําหน้าพระเจ้าเป็นอย่างหร้อเปล่าครับคุณเดินคุณเดินอยู่ข้างหน้ามีไหมเออคุณเดินคุณเดินอยู่ข้างหน้าแล้วพระเจ้าตามมาอย่าเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ปีนี้ขอขอให้เราเดินตามหลังพระเจ้าพระเจ้าอยู่ข้างหน้าเราแล้วพระเจ้าโมเสก็บอกว่า คนิเซเล่เ อ, อ๋ยพระเจ้าเดินไปข้างหน้าท่านแล้วโมเศษบอกอีกว่าศัตรูที่อยู่ข้างหน้าพระเจ้าจะทำลายคนที่จะมาขัดขวางเขาพระเจ้าก็จะทำลายเขาและพระเจ้าจะอยู่กับเขาก็สเสไอว i โบ uh, before you and m มเ e s เสร็จ อันไอวิโกวิตย์อยู่มีสองอนนะไปข้างหน้าแล้วก็ไปด้วยกันพระเจ้าอยู่อยู่เคียงข้า ง, งเราในปีหนึ่งหกนี้ก็ขอพระเจ้านำหน้าเราและขอพระเจ้าเดินนะมาไปกับเราเสมอและส่วนสุดท้ายโมเส ก, ก็บอกว่าอย่าลืมพระเจ้าสถิตอยู่กับเรา ไปไหนก็ไม่ต้องตัวเพราะฉะนั้นในบทที่31ก็โมเสก็ย้าพระเจ้าอยู่ข้างหน้าเรานำเราพระเจ้าไปกับเราอยู่เคียงข้างเราและพระเจ้าอยู่สถิตยอยู่กับเราไม่ต้องตัวใครจะทำอะไรเราได้เนครับโอเคอ่า เปิดเปิดดูในระเบียบธรมัส ก, การนะครับวันนี้ผมกำลัง อ, อยากจะพูดถึงหนังสือเล่มหนึ่งซึ่งซึ่งมีความาสวยงามในในแง่ของวรรณกรรมหนังสือโครสีซึ่งโครสีนี่ก็เป็นเมืองเมืองหนึ่งซึ่งเปาโลไม่เคยไปประกาศนะ ัะเกต น, นะครับจดหมายและเมืองต่างๆไม่ว่าจะเป็นเอเฟซัสเป็นเมืองฟิลิปปีเทสซลนิกาโคลินโมเศษไปเยี่ยมไปหมดแล้วแล้วก็สร้างขิ้นจัดไปประกาศเมืองเหล่านี้หมดแต่โครสีเป็นเมืองหนึ่งที่เปโรไม่เคยไปเลยไม่เคยไปประกาศเอฟเพยเอาข้ออะไรครับ ก็เพราะว่าเมืองโครสีนี้เป็นเมืองที่อยู่นอกเส้นทางการเดินทางถ้าผมจะพูดว่าถ้าคุณไปกระแพงเพชรจากโคราจากกรุงเทพมันจะไม่ผ่านไทยถูกไหมก็ไปถึงสิงห์บุรีแล้วก็มันก็จะตรงไปแล้วก็ไปถึงโคราสชัหนาก็ไม่ผ่านใช่ไหม โครสีก็เหมือนกัน อ, อ, อ, อาคาซ า, าวุบเปาโลเดินทางม่อจะผ่านลาวีเซียผ่านเอเฟซัสแต่ไม่ผ่านโครสีเพราะโครสีก็อยู่ประมาณร้อยไมล์นะครับทางทิศตะวันออกอยู่ใกล้เมืองลาดีเซียก็เป็นเมืองที่ที่ไม่ใช่ทางผ่านเพราะฉะนั้นก็เป็นเมืองเล็กๆนะไม่ใหญ่มากแต่ว่า ถ้าเปรียบเทียบกับประชากรในโคสีก็เป็นเมืองค่อนข้างใหญ่ในสมัยนั้นเพราะที่โคสีนี่ก็เป็นเมืองที่เขาเอามีอุตสาหกรรมทอผ้านะเขาเขาทอผ้ามี ม, มีเรียกเป็นอุตสาหกรรมก็ได้นะสมัยนั้นก็เขาก็ทอแล้วก็ขายไปทั่วแวนนะครับแล้วก็เมืองนี้ก็เป็นเมืองที่ พระกิติคุณของพระเจ้าก็ผ่านเข้าไปน่าจะไปจากราวิเซียหรือไปจากเอเฟซัสซึ่งอยู่ก็ไม่ไกลแล้วก็มูเซอเปาโล ก, ก็ชมนะครับชมว่าเมืองโพสีนี้มีมีคริสเตียนเยอะแล้วก็มีคริสเตียนที่มีความเชื่อดีแต่เกตได้ในบทที่หนึ่งบอกว่า ข้อสีเพราะเราได้ยินถึงความเชื่อของท่านในพระเยซูคริสต์ซึ่งและเรื่องความรักซึ่งท่านมีต่อทรรมิกชนทั้งปวงดูสิครับเปาโลก็ชมความเชื่อของคนในเมืองโฮโสิว่าเขามีความเชื่อและมีความจเจริญขึ้นครับแล้วก็บที่หนึ่งพ่อข้าวก้าวเขาบอกว่า เราก็อธิษฐานหมายถึงว่าเปาโลก็อธิษฐานเพื่อเขาถึงแม้ว่าเปาโลกขไม่รู้จักแล้วก็ไม่เคยไม่เคยไปประกาศเลยในโคโรสีไม่เคยไปเยี่ยมเยียนเลยไม่เคยผ่านไปเพราะอยู่นอกเส้นทางเปาโลบอกว่าอย่างนี้ครับในบทที่หนึ่ข้อเก้เราจะอธิษฐานที่นี่บอกว่าเราอธิษฐานเพื่อท่านให้ท่านเพียบพร้อมด้วย ความรู้ถึงพระไทยของพระองค์ในสัพพปัญญาสวยงามนะคำคำสวยมากสวยงามมากเราจะอธิฐานให้ท่านเทียบพร้อมด้วยสัพพปัญญาหมายความว่าอาคาสวกุปปโรยอยากให้คนที่โครสีก็มีความรู้เรื่องพระเจ้ามากขึ้นมีความรู้เรื่องรพระคัมภีร์มากขึ้นแล้วก็อีกในข้อหนึ่งใ น, ในบทที่หนึ่งข้อสิบ อ่านต่อไปก็จะเห็นว่าให้เกิดผลนันดีทุกอย่างและจำเริญขึ้นในความรู้ถึงพระเจ้าดงนั้ครับเปาโลอยากจะอธิษฐานให้เขาจำเริญขึ้นในความรู้ของพระเจ้าแล้วเกิดผลดีในทุกสิ่งแล้วก็คาอธิษฐานที่สามนะครับอยู่ในข้อที่แบอกว่าขอให้ท่านมีกําลังมากขึ้นทุกอย่าง โดยฤเดีแห่งพระสิริของพระองค์และขอให้ท่านมีความทรมที่สุดและความอดทนไว้นานด้วยความยินดีทําไมทําไมเปาโลอัติฐานแบบนี้ขอให้ท่านมีความทรมทศถ้าผมจะบอกว่า อ, อคริสเตียนที่บางเขนขอให้ท่านมีความอดทนนานมีความทรมทก็หมายความว่าคุณกาลังประจนกับ ความทุกข์ยากใช่ไหมสกเกตนะครับโคลสีเป็นเมืองที่โรมันก็ครอบครองแล้วเขาเปียนชื่อนะและที่นี่บอกว่าแน่นอนคริสเตียนที่เมืองโคสีก็ถูกทดลองถูกบังคับขู่เข็นมีความยากลำบากในการดำเนินชีวิตคริสเตียนเพราะเขาเชื่อพระเจ้ามันเอาถูกข่มเหง保罗บอกว่า ข้อ11เ็ดขอให้ท่านมีกำลังมากขึ้นและมีความทรหรดอดทนอย่างที่สุดแล้วก็ในบทที่สามครับที่ผมจะพูดในวันนี้ก็คือชีวิตใหม่อาคาซาวก์เ ป, ปโลกำลังพูดกับคริสเตียนในโคสีว่าเราผ่านชีวิตเก่า แล้วเริ่มชีวิตใหม่กับพระเยซูเมื perder, ่อเขามาเชื่อพระเจ้าไม่คงว่าเปาโลกำลังพูดถึงการก้ามข้ามก้าวก้าวข้ามงงกำลังก้าวข้ามชีวิตเก่าไปสู่ชีวิตใหม่ผมกำลังจะสื่อในเช้าวันนี้เรากำลังก้าวข้ามปีหนึ่งห้าไปถึงปีหนึ่งหก จริปีใหม่นี้ดีนะครับเพราะว่าปีใหม่จะเป็นเอวันกําหนดหรือเป็นเส้นที่กําหนดแบ่งแบ่งแบ่งเวลานะเวลาปีใหม่มาถึงผู้คนมากมายก็มักจะมีความตั้งใจใหม่พรอถึงปีใหม่เขาจะคิดปีหน้าเป็นปีใหม่เราจะมีความตั้งใจใหม่ถ้าเป็นนักเรียนก็บอกว่าเออปีหน้าผมจะทํา ทุกวิชาให้ได้เอปีที่แล้วได้แต่ดีดีดีดีฝรั่งนะไม่ใช่ดีไทยดีฝรั่งเกือบแล้เกือบตกแล้วนะใช่มอาจารย์ปีหนึ่งหกทุกวิชาเจ้าเอเอหมายถึงเก้าสิบถึงร้อยถ้าเป็นเซลแมนก็ปีนี้ทำเงินไม่ค่อยดีเลยนะครับ ยอดไม่ถึงปีหน้ามีนหกจะทาเป้ายอดขายให้ได้เป็นสิบล้านหรือยี่สิบล้านด้วยความตั้งใจถ้าเป็นสามีพัญญาเขาบอกอ่าโอเคปีนี้ผมไม่ค่อยมีเวลากับภรรยาเลยนะไม่ได้ให้เวลาเลยไม่ให้เวลากับลูกเลยไม่ให้เวลากับครอบครัวเลยปีหนึ่งหกผมจะจะหาเวลาอยู่กับครอบครัวมากขึ้นหรืออยู่กับภรรยาอยู่กับลูกมากขึ้นใช้เวลากับครอบครัวมากขึ้น น, นี่เป็นความตั้งใจความตั้งใจใหม่อยากจะทำสิ่งที่ดีๆทำสิ่งที่ใหม่ๆสำหรับปี16อคาซาบุกเปาโลกำลังพูดถึงในบทที่สามนะครับที่นี่บอกว่าเปาโลบอกว่าถ้าเราจะมีชีวิตใหม่มีการเริ่มต้นใหม่กับพระเจ้าเราต้องลืมสิ่งเก่าๆประการที่หนึ่งที่นี่บอกว่าในในชีตนะครับเปิดดูได้ในนี้นี่บอกว่า หนึ่งเราต้องสวมวิสัยมนุษย์ใหม่ในโครสีบทที่สามข้อห้าถึงสิบเดี๋ยวเราจะดูด้วยกันสวมวิสัยมนุษย์ใหม่หมายความว่าอะไรผมชอบมีหนังสือที่แปลเข้าใจว่าเป็นการแปลของคิงเจนที่นั่นเขาใช้คำว่าตัวตน สวมสวมตัวตนใหม่เข้าใจตัวตนไหมครับตัวตนใหม่ยควาว่าตัวจริงของเราที่เมื่อก่อนเราเราเป็นคนบาปใช่เรามีนิสัยหรือมีตัวตนยังไงเรามีตัวตนเป็นคนเห็นแก่ตัวเรามีตัวตนเราเป็นคนที่ไม่ดีเป็นคนประพฤติ ช, ชั่ว เป็นคนที่ขี้ขโมยเป็นคนตัวตนของเราเป็นคนชอบโกหกโดยท้าแท้ของตัวตนของเราเรามักทําบาปอันนั้นคือวิสัยมนุษย์เก่าแต่เปาโลบอกว่าถ้าเราจะก้าวข้ามไปถึงชีวิตใหม่เราต้องถอดไอ้พวกนี้ทิ้งไปตัวตนเก่าถอดทิ้งไปแล้วสวมวิสัยมนุษย์ใหม่หรือสวมตัวตนใหม่ของเราแล้วดําเนินชีวิตไปกับพระเจ้า นี่คือการเริ่มต้นชีวิตใหม่ไ้อ่านในบทที่สาม5ห้านะครับโปลสีเหตุฉะนั้นจมประหารโรกีวิสัยในตัวท่านเสียมีการลูก ป, ประเวณีการตัวครุราคาตัญหาและความปัาจนาชั่วความโลภซึ่งเป็นการนับถือลูกคำโลกเห็สิครับนี่คือตัวตนเก่าหรือวิสัยมนุษย์เก่าของเรา เราต้องถอดมันทิ้งที่นี่ใช้คำว่าประหารกำจัดมันไปพระโอบอกว่าเพราะสิ่งเหลา่านี้พระอาชียาของพระเจ้าก็าจะลงมาก็เจ็ดครั้งหนึ่งท่านเคยประพฤติสิ่งเหลา่านี้ด้วยเมื่อครั้งท่านดำรงชีวิตอยู่กับสิ่งเหล่านี้เพระพาะเมื่อก่อนตัวตนของเราเราอยู่กับตัวตน และเราก็มีนิสัยอย่างนั้นประพฤติอย่างนั้นแต่ว่ามาเชื่อพระเจ้าเราก็ต้องถอดตัวตนเก่าของเราวิสัยมนุเก่าเราแล้วก็สวมชีวิตใหม่ที่พระเยซูคิดประทานให้กับเราสวมตัวตนใหม่ที่มาจากพระเจ้าในข้อแปดบอกว่าแต่บัดนี้สิ่งทั้งท่านเหล่านี้ของท่านจมเปลืองเสียนะครับ มีอะไรบ้างความโกรธความขัดเคืองการคิดลองร้ายการพูดเสียดสีคำพูดหยาบโลนอย่าพูดมุสาตา่อกันเพราะว่าท่านได้ปลดวิสัยมนุษย์เก่ากับการประพฤติของมนุษย์นั้นเสียแล้วข้อสิบและได้สวมวิสัยมนุษย์ใหม่ที่กำลังทรงสร้างขึ้นใหม่ตามพระฉายาของพระเจ้าผู้ทรงสร้างให้รู้จักประเจ้า ส, สิครับปารบอกว่า ให้เราสวมวิสัยมนุษย์ใหม่หรือสวมตัวตนใหม่ของเราที่ได้มาถูกสร้างขึ้นโดยพระฉายของพระเจ้าถอดตัวตนเก่าทิ้งประหารมันไปแล้วสวมตัวตนใหม่แล้วดำเนินไปกับพระเจ้า คมว่ามนุษย์ใหม่ก็มีความหมายอยีกงานหนึ่งครับดูในะระเบียบนมัตการที่นี่บอกว่าเป็นเรื่องของเนื้อหนังตัวตนก็เป็นเซลล์เนื้อหนังก็เป็นฟลัชเป็นหมายถึงบาปนะเนื้อหนังเราอยู่ในเนื้อหนังก็หมายความว่าในอยู่ในบาปเพราะเมื่อเราเกิดเป็นเนื้อหนังเป็นมนุษย์ มนุษย์ทุกคนทําบาปจาได้ไหมครับเปาโลพูดในโรมเราทุกคนเป็นคนบาปเราเกิดเป็นมนุษย์บาปก็ติดเราตัวเรามาตลอดตั้งแต่อาดามแล้วตั้งแต่ฮาวาร์เลยมันในเนื้อหนังของเราอันนี้พูดถึงเนื้อหนังแห่งความบาปวันที่นี่เนื้อหนังก็ตรงข้ามกับวิญญาณนะ วิญญาณก็เป็นเรื่องของความชอบธรรมแต่ว่าที่นี่บอกว่าให้ให้เราทิ้งสิ่งที่เป็นเนื้อหนังที่เราเมื่อกี้ได้อ่านมาแล้วมีอะไรก็มีเยอะแยะการถกโถโคการรูปปเวณีโลภ ก, การนับถือลูกเคารพการคิดฟองร้ายความโกรธที่เราอ่านมาทั้งหมด น, นั่นก็เป็นเรื่องของเนื้อหนังแล้วก็ที่นี่มีคำหนึ่งที่ในบท ที่สามข้อเก้าส่วสุดท้ายนะเนี่ยสังเกตมีคําว่าปฏิบัติชั่วหรือประพฤติชั่วมันชีวิตเกา่าเราอยู่กับสิ่งเหล่านี้เราประพฤติเราปฏิบัติสิ่งที่ไม่ดีความประพฤติของเราก็ชั่วร้ายแต่ว่าโดยพระคุณของพระเจ้าเมื่อเราเชื่อพระเจ้าความรอดมาถึงเรา โดยความเชื่อทำให้เราก็ได้รับชีวิตใหม่การประพฤติสิ่งเก่าๆนั้นก็จะต้องร่วงไปบระบอกต้องประหารสิ่งนี้ออกไปแล้วที่นี่เราก็จะต้องเริ่มวาาประพฤติใหม่ของเราการปฏิบัติใหม่ซึ่งเป็นการปฏิบัติที่มาจากพระฉายของพระเจ้าบรูก็พูดตรงๆครับเราก็จะไม่ทำบาปอีกแล้วนะครับ เพราะชีวิตของเราเป็นชีวิตใหม่ที่เริ่มต้นใหม่กับพระเจ้ากับพระเยซูคริสต์เจ้าไปได้วยกันอ่านพระสีนะครับประการที่สองที่พูดถึงการสวมอ่านที่สองในข้อสิบสองอ่านด้วยกันนะครับเหตุนชนัในฐานะที่พวก ท่านซึ่งพระเจ้าทรงเลือกไว้เป็นพวกที่บริสุทธิ์และเป็นพวกที่ทรงรักจงสวมใจเมตตาใจปรานีใจถ่อมใจออกสุภาพใจอดทนไวนานอ้าวในข้อสิบสองเปาโลบอกว่านอกจากจะสวมวิสัยใหม่แล้วเราต้องสวมใจใหม่ เอทำไมอย่างนั้นเปาโลบอกว่าก็เพราะว่าพระเจ้าเลือกเราไว้แล้วให้เป็นคนบริสุทธิ์พระเจ้าทรงรักเราทรงเลือกเราพระเจ้าให้เราเป็นคนบริสุทธิ์ดูสิครับในฐานะของเราเป็นพวกที่พระเจ้าเลือกไว้แล้ว We are chosen To be Holy so you have to change ต้องเปลี่ยนนะมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตเพราะเราได้รับเลือกจากพระเจ้าให้เป็นคนบริสุทธิ์มันถ้าถ้าเราถ้าเราได้รับเลือกจากพระเจ้าแล้วเป็นคนของพระเจ้าแต่เรายังท่ามบาปอยู่มันก็ไปด้วยกันไม่ได้มันไม่ไ ม, ไม่ไม่มีเหตุผลที่ ถ้าเราได้รับการเลือกจากพระเจ้าให้ออกมาจากวิสัยมนุษย์เก่าแล้วเราก็มาอยู่ชีวิตใหม่มีนิสัยใหม่มีตัวตนใหม่ที่พระเจ้ากําลังสร้างเราขึ้นเพะงั้นเราก็จะต้องเป็นคนที่บริสุทธิ์เหมือนพระเจ้าบริสุทธิ์ถ้าพระเจ้าบริสุทธิ์เรายังยังอยู่ในตัวตนเก่าแล้วยัง ท, งทํำบาปอยู่ทําบาปอยู่เราก็ ไม่มีตามเมต谛ธรรมกับพระเจ้าใช่ไหมก็เข้ากันไม่ได้นี่ครับที่นี่บอกว่าในฐานะของเราที่เป็นพวกที่พระเจ้าทรงเลือกไว้เป็นพวกที่บอยสุดเป็นพวกที่พระเจ้าทรงรักฉะนั้นจงสวมใจเมตตาใจปลาณีใจทองใจอ่อนสุภาพมันมันมันเป็นการเปลี่ยนแปลง น, นะ เมื่อก่อนนิจใจของเราก็ไม่ใช่อย่างนี้เมื่อก่อนผมไม่เป็นคริสเตียนผมก็ไม่ได้เป็นอย่างนี้นะแต่ว่าเมื่อเมื่อพระเจ้าเปลี่ยนเราจิตใจของเราก็ได้รับการเปลี่ยนแปลงใหม่จากใจที่โหดเหี้ยมกท็ที่ก็เย็นเยนล่จากใจร้อนก็ก็ค่อยๆพราถ้าคุณเป็นคริสเตียนแต่คุณไม่มีใจเมตตา คุณไม่มีใจปลานีไม่มีใจถอดไม่มีความสุภาพไม่มีการที่มีใจอดทนนานมันก็สวนทางกันใช่ไหมก็แสดงว่าเราก็ยังอยู่ในในตัวตนเดิมของเราถูกมเราก็ยังอยู่ในในวิสัยมนุษย์เก่าของเราอยู่นั่นแหละเราก็ไม่ได้เริ่มต้นใหม่กับพระเจ้าสักทีถ้าเราจะเริ่มต้นใหม่ที่นี่บอกว่า ในฐานะของเราที่เราเป็นพวกที่พระเจ้าทรงเลือกทรงรักทรงให้เป็นพวกที่บริสุทธิ์เราต้องสวมใจใหม่อยู่ที่นี่สิบสามจงผ่อนหนักผ่อนเบาซึ่งกันและกันและถ้าแม้ว่าผู้ใดมีเรื่องราวต่อกันก็จงยกโทษให้กันองค์พระเจ้าทรงโปรดยกโทษให้ท่านฉันใดท่านจงกระทําอย่างนั้นเหมือนกันโอ้ถ้าเป็นคิดเสียแล้ว ยังทะเลาะกันกับพี่น้องที่ในโบสถ์ก็ทะเลาะคนนี้คนนี้ทะเลาะคนนี้ไม่เคยให้อภัยเลยไม่เคยยกโทษเลยไม่พอนหนักไม่พอนเบาเลยใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ครับเสียดายคุณเสจากหลายหลายแห่งก็ก็เป็นอย่างนี้นะเพราะอะไรเพราะว่ายึด ตัวตนของเราอยู่ตัวตนเก่าของเราก็ ก, ก็เก็บไว้นะไม่ยอมไม่ยอมประหารมันไปไม่ยอมเปลืองมันทิ้งไปแต่ยงเก็บมันไว้แล้วก็ไม่รู้จักให้อภัยไม่มีใจเมตตาทะเลาะกับเขาไปหมดใช่ไหมเก็บเครียดความแค้นไว้ในใจไม่ให้อภัยพี่น้อง อยู่ในโบสก์กไ็ไม่ให้ไยคนนั้นไม่ให้ไยคนนี้ไม่เคยผ่อนหนักผ่เบาที่นี่มีเรื่องราวกับเขาเสมอใช่ไหมก็เป็นเนื้อหน้าเสียดายเพราะฉะนั้นเปลี่ยนตัวตนใหม่เลิกทะเลาะให้อภัยผ่นหนักผ่อนเบาเลิกมีเรื่องมีราวต่อกันกลับมาหากัน ที่นี่บอกว่าพระเจ้ายกโทษให้ท่านฉันใดคุณก็ควรจะยกโทษให้พี่น้องเหมือนกันเอเฟซัสบทที่สี่ข้อสามสิบสองอ่านนิดหนึ่งก็ได้นะครับบทที่สี่ข้อสามสิบสองเอเฟซัสบท 4, ที่สี่ข้อสามสิบสองที่นี่บอกว่า และท่านจงเมตตาต่อกันมีใจเอ็นดูต่อกันและอภัยโทษให้กันเหมือนดังที่พระเจ้าได้ทรงโปรดอภัยโทษให้แก่ท่านในพระคริสต์นั้นดูี่ครับ保罗พูดในเอเฟซัสเหมือนกันนะท่านจงเมตตาต่อกันมีใจเอ็นดูกันให้อภัยกันและกัน เหมือนดังที่พระเจ้าให้อภัยท่านเริ่มต้นชีวิตใหม่สวมวิสัยมนุษย์ใหม่สวมใจใหม่เพื่อเราจะได้มีใจที่จะให้อภัยคนอื่นรักคนอื่นนะแล้วเราจะเดินไปด้วยกัน ประการที่สามะรวลบอกว่ า, อ, าอยู่ในข้อที่สิบสี่สิบสี่บอกว่าแล้วจงสวมความรักทับสิ่งเหล่านี้เห็นไหมครับทั้งหมดเพราะความรักย่อมผูกพันทุกสิ่งไว้ให้ถึงซึ่งความสมบูรณ์สวมวิสัยใหม สวมใจใหม่สวมความรักใหม่เมื่อก่อนเราอยู่ในตัวตนเก่าไม่เชื่อพระเจ้าอขอโทษเราก็อาจจะไม่มีความรักนะมันมันไม่เคยแสดงออกถึงซึ่งความรักแต่เมื่อเวลาที่เรารู้จักพระเจ้าพระเจ้าเป็นความรักเพราะฉะนั้นความรักของพระเจ้าก็จะ หลังไล่มาสู่ตัวเราเมื่อเราเชื่อพระเจ้าความรักมันก็จะเกิดขึ้นนะครับมันเป็นสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นในชีวิตดวได้ผมไม่ได้เอานังติเพลงมาอยากจะลองเพลงให้ฟังเพลงล่าเรืใจถูกสิ่งเปลี่ยนแปลงใหม่นี่สิ่งหนึ่งแปลกเกิดขึ้นเมื่อพว่าใจแห่พระเยซูรู้จักไหมครับ Things are different now Something new Something happened to me เห็นไหมครับเพลงเพลงนี้แหละเป็นเพลงที่ผมร้องเมื่อเวลาที่ผมเชื่อพระเจ้าใหม่เพราะทุกครั้งที่ร้องน้ำตามันไหลนะเพราะว่าพระเจ้ากำลังเปลี่ยนแปลงเรากำลังสร้างเราใหม่ให้ขึ้นมาเป็น ตามแบบพระชายของพระเจ้าแล้วความรักของพระเจ้ามันก็จะทําให้เรามีความสงบสันติสุขในใจอ่านต่อไปครับที่นี่บอกว่าจงสิบห้าจงให้สันติสุขของพระคริสต์รองกิจใจของท่านดูสิครับสวมความรักสวมความรักทั้งหมดเนี่ยนะครับเพราะความรัก ผูกพันทุกสิ่งไว้ให้ถึงซึ่งความสมบูรณ์แล้วสันติสุขของพระคพิชจะครองใจเราเมื่อก่อนเราไม่มีความรักและสันติสุขของพระเจ้าแต่เมื่อเราเชื่อพระเจ้าความรักและสันติสุขก็อยู่ในจิตใจของเราและความรักและสันติสุขนี้มันก็จะสร้างชีวิตของเราใหม่ที่นี่บอกว่า พระเจ้าทรงเรียกท่านไว้ให้เป็นกายเดียวกันสังเกต น, นะครับกายเดียวกันเบารูกําลังอธิบายว่าถ้าเราเป็นกายเดียวกันหมายความว่าเราก็ไม่ทะเลาะกันกายเดียวกันมีอวัยวะหลายหลายหลายอย่างมือซ้ายจะตบหน้ามือขวาวก็จะห้ามหรือมือขวาตบมือซ้ายตบช่วยกันตบหน้า มันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับการที่เรามีกายเดียวกันหมายความว่าความรักก็อยู่ในกายนั้นและความรักนั้นก็เผื่อแผ่ไปกายเดียวกันหมายถึงพี่น้องในพิสจักรพิสจักรก็ประกอบด้วยอวัยวะหลายหลายอย่างเราเป็นกายเดียวกันหมาย ว, ามว่าในพิสจักรเราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่ไม่ไม่ทะเลาะกันไม่ตีกันเองใช่ไหม ที่บอกว่าเราเป็นกายเดียวกันสารที่สุกนั้นก็จะทําให้เรามีมีความรักผมก็อยากจะให้เราอาร่อานอีกอันหนึ่งนะครับอันนี้ก็ดีนะครับที่นี่บอกว่าเราเป็นกายเดียวกันและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเอฟเฟซัสบทที่สี่เหมือนกันไม่ใช่บทที่ที่เราอาร่านเอฟเฟซัสบทที่สี่ข้อสาม เอเซับทที่สี่ข้สามบอก่าอย่างนี้จงเพียรพยายามและให้พงไว้ซึ่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันซึ่งพระวิญญาณทรงประทานนั้นด้วยแสนธิภาเป็นพันธนะเห็นไหมครับจงเพียรพยายามให้มีน้ำหนึ่งใจเดียวกันถ้าอ่านต่อไปข้อสี่บทที่สี่ข้อส่ มีกายเดียวกันมีพระวิญญาณอง์เดียวเหมือนมีความหวังใจอันเดียวเรื่องในการที่ส่งเรียกนั้นดูสิครับเปาโลกําลังอธิบายนะครับการมีกายเดียวกันคือการมีน้ําหนึ่งใจเดียวกันให้อภัยกันไม่มีเรื่องราวต่อกันพนักพนเบากัน ที่นี่บอกว่าให้เรารักษาน้ําหนึ่งใจเดียวกันความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันที่มาจากพระวิญ ญ, ญาณโดยมีสรรพสุขที่มาจากพระเจ้าเป็นเครื่องผูกพันเราไว้ด้วยกันดูไหมครับความรักจะผูกพันเราไว้ด้วยกันและเป็นหนึ่งเดียวได้ถ้าไม่มีความรักก็ทําไม่ได้นะความรักที่มาจากพระเจ้าจะผูกพันเราไว้เป็นหนึ่งเดียวสุดท้ายครับหนึ่งเปตโตรบทที่สี่ข้อแปด อ่านด้วยกันได้ไหมครับหนึ่งเป็นโรบท 8. ที่สี่ข้อแปดที่บอกว่าสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดก็คือจงรักซึ่งกันและกันให้มากเพราะความรักลบล้างความผิดมากมายได้อ่านคีกทีนะครับที่นี่บอกว่าให้เรา รักซึ่งกันและกันสําคัญยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดให้เรารักซึ่งกันและกันให้มากเพราะความรักลบล้างความผิดมากมายพี่น้องครับในปี2กนี้เป็นปีใหม่ที่เรามีความตั้งใจใหม่เป็นความตั้งใจใหม่ที่เราจะเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกัน เป็นความตั้งใจใหม่ที่เราจะเปลี่ยนแปลงตัวของเราเป็นความตั้งใจใหม่ที่เราจะสวมชีวิตใหม่วิสัยมนุษย์ใหม่ทิ้งตัวเก่าไปเสียแล้วสวมใจใหม่ทิ้งใจเก่าไปด้วยนะครับและสวมความรักของพระเจ้าที่จะผูกพันเราไว้เป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันผมหวังใจว่าปี หนึ่กจะเป็นปีที่พระเจ้าจะไวพรริสจักรบางเขนนี้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและบรรลุถึงเป้าหมายและจุดประสงค์และมีความสําเร็จในการรับใช้พระเจ้าเนยกันให้เราอาธิษฐานข้าแต่บิดาเจ้าขอบคุณทงสำหรับในเช้าวันนี้ขอบคุณทงสำหรับบทเรียนในการที่เราจะสามารถท้าม กล้าไปยังปีใหม่ในปี16 น, นี้ขอพระเจ้าเวพรเป็นปีที่เราจะมีความหวังใหม่มีการตั้งใจใหม่มีการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ่ในชีวิตของเราเราขออธิษฐานฝากพระองค์ไว้ในพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน พระชานะครับสําหรับพระชนะคำของพระเจ้าถ้าเป่าลมเนี่ยเป็นน้ามวยไม่ได้ชมลงแต่ชกให้ถูกคู่ต่อสู้นะครับถ้าเป็นน้ำวิ่งก็จะวิ่งชัยชนะแต่ถ้าเป็นน้นเดินเดินตามพระเยซูนะครับเราจะรอไปด้วยกันเดินตามไปนะครับเราจะใช้พี่น้องที่ใจยืดขึ้นนะครับเราจะรอ็ับผิดด้วยกัน We cry, Jesus, nine, n i n t o one, nine, i e จะสอดึ เพนี้ด้วยความคิดด้วยใจที่คิดถึงพระเจ้าคิดถึงเนื้อเพลงเราจะรู้สึกมีความสุขที่เราเหลือตาพระเยซูนะขอเช่นน้นนะครับขอได้เชิญพิณาทั้งสองท่านนะครับอคุณชีราวุฒิกับอาจารย์รุ่งทวีนะครับอยากขอเชิญอาจารย์รุ่งทวีที่นำเราอธิษฐานเพื่อทรัพย์ที่เราจะทํางานด้วยกันนะครับ